เราที่อยู่ด้วยกันนอกจากเป็นมเมตเพื่อนร่วมอยู่ร่วมสุกร่วมทุ ก, ทกปฏิบัติธรรมแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นก็ต้องพูดต้องจ่า ป, าปาลาใสปลาโลกธรรมตักันฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติอะไรยินอะไรฟัง เราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราก็ได้ทำสิ่งที่เราได้ทำเราก็ได้ยินได้ฟังให้เกิดความสมดุลเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการศึกษาปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็เป็นส่วนเล็กนอ้อยการฟังแต่ว่าการกระทำาเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราไม่มีการกระทำแม้ว่าเราจะฟังมันก็เกิดประโยชน์ไต้นอ้อยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะไม่ได้พูดให้จำพูดให้ออกไปทำเห็นการเจริญสตินะทำอย่างไรมันจึงจะมีสติต่อซิกแซกได้หลายรูปแบบเพื่อจะให้มีความรู้สึกตัวความคลัง ลูกแบบมันก็ไม่ไม่ลูกก็ไี้มันสู้ความหลงได้ได้ได้ยากสู้ควอมหลงไม่ได้เลยก็งี้เราก็ต้องหาห <c oughs> าวิธี อ, อื่นแล้วก็อย่าหมกมุ่นทำสิ่งใด้ใปร่งใส ให้เปิดเผยให้ให้ยิ่งเยีเ่ยเตียนใส่แล้วก็ทำทุกอย่างทั้งร่างกายและจิตใจทั้งสิ่งแบดล่องไปในตัวเสร็จถ้าเราไม่มีมิตรภายนอกเราก็ต้องเป็นมิตรกับตัวเราให้ได้ มิดคืออย่าทาให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทำให้ตัวเองเป็นสุขอย่าทำให้ตัวเองหลงอย่าทำให้ตัวเองเป็นผิดเป็นถูกเป็นมิดรจริงมันเหนือทุกอย่างมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นอันหละมิตรกัญญาณมิมิดนนอะผิดอะยังถูกยังผิด มันก็ยังไม่มีมิตรแท้ยังหลุดยังหลงนะจะ <c oughs> ต้องหลงไปต่บความผิดความถูกจะ <c oughs> ต้องหลงไปต่อความสุขความทุกข์ <c oughs> ความสุขก็หลงความทุกข์ก็หลง <c oughs> เอาเอาทั้งสองอย่างให้เราเห็นทั้งสองอย่างะการเป็นมิตรกับตัวเอง ในะแบบนี้จะแบบ ป, ป่งใสเปิดเผยไม่ใช่มุกยิบถ้าสุขโลกโอ้พอใจถ้าทุกโลกโอ้เศร้าหมองไม่ใช่แต่ทัานไ ม, ไม่ไม่ปร่งใสการปฏิบัติธรรมน้นมันสนุกถ้าทำถูกนะไม่มีอะไรที่ยุ่งยากความยุ่งยากไม่มี มีแต่ภาวะที่ประสบการณ์มีแต่บทเรียนระพึ่งระพื้ไปอะอะไรก็ตามเป็นบทเรียนทั้งนั้นความผิดก็เป็นบทเรียนความถูกก็เป็นบทเรียนความทุกข์ก็เป็นบทเรียนความสุขก็เป็นบทเรียนอไม่เสียหายเลยทางที่หลวงพ่อโคจรสวดให้เป็นผู้ดูเหตุเห็นมันสุข ก, ก็เห็นทุกข์ก็เห็นเนี่ย มันจะเสียหายตรงไห น, นถ้าสุขก็ชอบถ้าทุกข์ก็ไม่ชอบมันไม่ใช่ไม่ใช่มักแบบนั้นมันไม่ใช่มัจนี่เราก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันสิน่งเหล่านี้นะแต่เราเห็นไม่จริงเห็นสุขเป็นความสุขเห็นไม่จริงเห็นทุกข์เป็นความทุกข์เห็นไม่จริง วิธีปฏิบัติรัดรั ด, ดสั้นสั้นปฏิบัติแบบสัมผัสได้ถ้าเป็นความอิ่มก็อิ่มไปเลยไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องปิ้งต้องแกงต้องวิธีทำอะไรไม่ใช่ให้มันได้ดื่มลดพระธรรมกันเอาจริงจริงมันก็มีลดเดียวพระสุขไม่เคยลด ทุกไม่เคยลดถ้าเห็นมันสศกเห็นมันทุกข์ลดลดกระทั่งลดกระทั่งอยู่ตรงนั้นนร ว, ว่าเห็นเห็นเห็นของจริงเห็นของจริงอย่างกับสึกมันทําอะไรถ้าเห็นแบบนี้มันทําอะไรว้าทั้งหมดของพรหมจรรย์ทั้งหมดของพรห ม, ม, มจรรย์ทั้งหมดของมรรคทั้งหมดของอริยสัจสิก แป๊บเดียวลูดไปเลยลูดไปเลยบูดลูดไปเลยมันด่วนมากการปฏิบัติทําไม่ต้องอสักช้าไม่ต้องเพราะว่าพระองมันเป็นเรื่องด่วนด่วนใช่ถ้าทําแบบเนี้แป๊บเดียวไปละเหมือนมันมันย่นเวลางั้นนั่งงั้นเราเดินกัแบบขึ้นรถ เมื่อเราขึ้นรถกับดั่งเครื่องบินมันย่นเวลาแต่ว่าการย่นเวลาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นไม่เห็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเห็นเช่นสมมติมันหยาดที่เป็นรูปแบบอะไรต่างๆ ท, ที่เป็นเรื่องอเปลือกๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดว่าสปาสุกโตเนี่ยปฏิบัติทำไม่เห็นสมาทานศีลไม่เห็นขอกรรมาฐานไม่ต้องมีเวลาพานั่งทานั่งชั่วโมงพาเดินเทานั่งชั่วโมงคือให้มันนอกระบบสักหน่อย การปฏิบัติธรรมอย่าให้มันรู้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติระดีที่สุดถ้าเป็นนั่งลับตาเดินย่อมย่อมย่อมมันอยู่ในระบบมันไม่ใช่ของกิงของกิงมันต้องเห็นหลงเห็นรูกเห็นสุขเห็นทุกข์ไม่ใช่รูปแบบเลยแต่ตัวสติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรีบที่ ความโลดจิตตัวอยู่ทุกก็รีบปวดนะนนมันสมัยหนึ่งของพ่อไปประเทศพมา่าอาจารย์สมกับประธานพ่อก็ไปเยี่ยมเขาก็ปลูกบ้านไว้สองหลังหลังหนึ่งเป็นของบาสกหลังหนึ่งเป็นของวาสิกาและว้านของอาจารย์อีกหลังหนึ่งแลง้วก็ขึ้นไปป่า พระมรุษีขึ้นไปบอกอาจารย์บอกว่ามีพระมาจากเมืองไทยก็ไปท่านก็นานนา น, น, านตลอดนั่งรอเปิดประตูก็ค่อยเปิดนะแล้วก็เดินย่องย่อมขนาดคนสาอาดแม่สะหาดมาหาหลวงพ่อนะใช้เวลานะ นั่นเลยย่องย่อมหลับตานะมาถึงแล้วก็ค่อยนั่งเอาเมื่วางไว้นั่งหลับตาไม่ดูหน้ากันเล ย, ยไม่รู้อะเป็นผู้หญิงไปใชายม่รู้ให้ไม่มองหน้ากันแล้วก็พูดกันทั้งต่อพูดหลับตาพูดนะจำเป็นอย่างนั้นเลยต้องตงึงตึกที่ว่าเป็นนักปฏิบั ถ้าชาอย่างนั้นจะทำอะไรได้จะหลบรถได้ไหมนในสอือถ้ารถวิ่งมาจะไดจะหลบรถทนไหมแต่ใช่นะถ้านะ ง, งูไปเรื่อยมาต้องกดโดดตั้งแต่นะกรรมะนั่นแต่ปฏิบัติต้องเป็นสาผลนวิ่งก็ได้ น, น, นะนะเดินไปอะไรก็ได้เดินชาๆก็ได้เพราะให้มีความรู้จักตัวอะไรก็พูดเรื่อยๆไป อย่าให้คนรู้จักว่าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเปิดอบรมต้องไปสัญญาต้องไปรับคำต้องทำอยางนั้นต้องทำอย่างนี้รูปแบบเอภิชินหมดเลยนีแต่รูปแบบอภิชินหมดเลยบางทีก็เหมือนกับโยแต่ยในสมมุติดันจับให้คนอื่นจับให้ถ้าคนอื่นไม่จับให้คิดไม่เป็นสร้างสรรค์ไม่เป็น เหมือนหลวก็ตาพระวันนี้คนมาตั้งบ้านหนึ่งรถเจ็ดแปดคันเข้ามาวัดอพะพาก็เดินเชิงเอ้เชเนเงี้ ว, วแล้วก็วบอกว่ากอนั่นะเวลานี้เราควรทำอะไรคนมามาก็ต้องปูเสือปูเสือแต่ถ้าได้บอกเยมันจะดีไหมไม่ใช่มันจะเป็นความรู้ของเราไหม ถ้าใครคิดขึ้นเออการนี่ทำอย่างไรแล้วเมื่อมีคนตามปวดเลขาขนาดสวดต้องเอานาคทันทีจับนาคมามีกี่องค์กี่องค์บอกมาหาไปควกเก่าไปจับแขนเอามานี่มานี่มาแล้วก็มานั่งบนโต๊ะสามวง์นีย่ย ใครเกิดพ่อซไหนใครเกิดพ่อ อ, อะไรคนที่เกิดก่อนพ่อซก่อนต้องเขียนก่อนคนที่เกิดตัดกรรมมาเขเขียนที่ติดตามนันเป็นหอะไรต้องบอกนะจะต้องบอกนะถ้าไม่บอกคือตลอดเวลามันใช่ความรู้ของเราไหมที่ต้องบอกอบอกันนะเนี่ยถ้าคิดขึ้นมาฉุกคิดขึ้นมาดําเนินไป นี่จึงจะเป็นหน้าที่จึงเป็นความรูปของเราเป็นคุณธรรมของเราถ้าคนบอกไม่ใช่คุณธรรมของเราจัดอะไรให้มีแต่คนบอกใช่ถ้าทำความเดียวการปฏิบัติธรรมของมันนั้นต้องเกรงใจหลวงพอ่อต้องเกรงใจอาจารย์ถ้าไ่ไปไม่ได้อะไรก็ดีแต่ว่าดีน้อยต้องต้องดูตัวเองควรไม่ควรอย่างไร เพื่อเราจะได้จัดการกับตัวเราให้อยู่ในความชอบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยหลวงพ่อว่าพอตัวความพอตัวมีความพอตัวมีความพองอะไรจะเกิดขึ้นไหน่ความรู้สึกตัวไหนออกลับได้ทั้งหมดเลย เหมืนก็เขาเป็นมีวิชามวยนักมวยนักกีฬาครับพอเขาก็พอตัวมีคนขึ้นเปทีหาคู่เปรียบเขาก็แย่งกันขึ้นไปเปรียบนะแม้แต่ตัวเขาเล็กกว่าเขาก็ไปยืนเทียบไห่จนให้คนอื่นตัดสินบางคนก็ขอชกเลยขอให้ผมชกให้ผมชกให้ผมเขาพอตัวเขาเชื่อเพียงเลยเขา บางทีทำเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมเรามันก็รัวเช่นเขาตีตะปูเลยตีเท่าไรก็งอตีเท่าไรก็อขอตีกันหนอยนะมานกค่อนนะไตเรา้องเ <c oughs> <c oughs> ออเอฟบางทีได้ okay. นี่บางทีมันก็โชว์โ ช, ว, ชว์ฟีมือบ้างกันเขาหลงเขาโกรธเขา เราดูแล้วเราอยากจะโชว์ปีมยอไรตอน้เรื่องแค่นี้ฮะก็โกรธทุกข์หรื อ, รอลบแล้วหรื อ, อ น, นี่คนมีเปลียนมาไไม่ใช่ไปนถนมผู้ที่มีสติไปแค่ถนมลุยเลยเหมือนเครื่องมันดีมันลบตีนะสมัยนานนู้นต้งแต่ทางขึ้นเขาไปใหม่เป็นเขาระเบิดหินขึ้นเขา มีรถมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรที่ใส่มารับหลวงพอ่อแล้วอเขาก็บอกหลวงพอ่อลักเข็บขัดเขาเขาต้องตรวจวิ่งให้ทันเวลาธนาล้มลงุลงเนี่ยเขาตเบิดเห็นในไหมลื่นไปเลยลื่นไปเลยรถเลยลื่นไปเลยลเลยหลวงพ่อไม่เคยนั่งรถแบบนั้น เรื่องมันเลืไปเลยเลยโอ้โหควาเชื่อเครื่องมันดีนะแต่รถของเราไม่ดีกยกแยกไปมันก็ยังไม่ไหวจะไปไม่รอดเลยผมเขาบวะไรต่างุ่ล ง, ขงเขาอะไรปรากฏว่าสิบนาทีทนานไหนกกิโลหยอดต่ไม่ได้ต้องหยอดลงเลยเครื่องมันดีระบบมันดีคนมีสติตัเหมือนกัน มันลิกได้ก็ไปถึงความรู้ความรู้ความรู้คว า, ร, ควารู้แล้วก็จบแหะถ้าไม่รู้มันก็ต้องคว้าป่วยที่จะรู้พบความรู้สุดตัวแต่มันถูกต้องมันเป็นการชอบอยู่โดยชอบความรู้สึกตัวไม่มีอะไรที่จะชอบเท่ากับเป็นความรู้สึกตัวเหมืนก็เราสวดเมื่อกี้ทางผู้มีสติแห่งอยู่ เหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดแนั้นความสงสัยเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ส่วนเราเรียนสงสัยไม่มันเป็นพลังความรู้สึกตัวเราจึงพยายามสร้างแต่ชีวิตเราตรงนี้ท่านี้ถูกต้องทีุ่ดเรยความรู้สึกตัวน ตอนศึกษาปฏิบัติไปไม่ใช่คตรตา้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์โน่นเป็นอย่างนี้หลวงพอโน่นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรออันนั้นมันงูปลาปลาไม่ไม่ใช่ไม่ชัดเจนแต่อย่างตัวาอาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ไม่ดีงูปลาปลาไม่รู้ว่าเป็นงูหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นปลาสำคัญว่าเป็นปลาไปจับถูงกูกับ สำคัญว่าเป็นงูไม่เอาปลาขอผ่าสีนแล้วเรื่องงูปลาปาและตัวปฏิบัติเกงๆมันเป็นปัจจัดตามต้องลู้สึดตัวลู้สุดตัวนะครับู่สึดตัวแบบชัดแจ้งทั้งชัดทั้งแจ้งแก้งฟั ง, งตราไ มันมันกังขึ้นมันหมกมันแจ่วแฉ่ยังปั้นอะไรแบบปลแบบว่าวิปัสนาวิ ป, ปัสนามันแก่มันร่วงพ้นความมืดไหมไหมไ ม, ไม่ต้องสงสัยครับความรู้ความหลงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆมันแฉ่อย่างนี้วิปัสนาไม่ไม่ได้แฉ่มัน แ, แ, บบแสงตามเมื่อมันแสงต า, ตาใหม่ สติปัญญาผู้พามผู้มีเพียรมีสติเพ่งอยู่ความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่ได้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นก็ไม่ได้วา ม, มูดเกิดขึ้นไม่ได้บางทีตัวที่เราเปรียบเหมือนช้างกินอ้อยแม่ลําอ้อยอลําไผ่มันม้วนเขาปากไปว่าง่ายง่ายง่ายง่ายทำของง่าย ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้อ <c oughs> <c oughs> เอาเท่านี้ก็พอพวกเราทั้งหมดแล้วหลวงพ่อความรู้สึกตัวเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งมรรคเป็นทั้งผลเป็นทั้งญาณเป็นทั้งฌานความรู้จึกตัวนะ <c oughs> อ่าสูงสุดมีสติเล้เล่ยนแรงอยู่ฌานดันสูงสุด มีสติมีสติในฌานไะด้เลอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นมีสติหร่าอยู่ในฌานเหนือการเกิดแก่เจ็บตายเครื่อเจ็บก็เป็นเรื่องหนึ่งไปถ้ามีสติไม่มีเพราะว่ามีฌานมูลพระเจ้าเข้าฌานตอนใอกล้จะพลิ้นผ่านมีพระอนุรุทธะเท่านั้นที่รู้จักวาละของพระโพลิเจา สงม์วิชาชันสติวิชาชันตติวิชาชนจตุวิชาชันปัญจมญัจฉานานุรัตก็ไล่ไปพระสงฆ์ทำฟองก็ถามพระนุทัตพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนอนุทัติอธิบายไไปจนถึงมีสติแล้วเรียอยู่ก็จบลงที่ตรงนั้ น, น, นการฝึกสติเนี่ยไปหาหรือไม่ต้องไปหาออะไรมันเป็นศิล อะไรมันเป็นสมาธิอะไรมันเป็นปัญญาบางทีมันรัดบางๆก็อาจจะไม่รู้แต่มันรู้ทีหลังนะมันจะรู้แก้งทบทวนเรื่อยเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงสุกโตนะเมื่อมาถึงแล้วถึงสุกโตแล้วก็มองกลับไปรู้ได้โอ้ต้องผ่านอ่วงน้อยเห็นกองอะอะไร ตะโอเลยปากช่องสีเขียวด่าน้นทุ่ะนั่นน่ะพาน้องเราผ่านใช้เย อ, อะภูมิตาตนเจห่ข้อเพราว่าเป็นไปใครถามไม่ต้องสงสัยเรามาแนละ้ถ้าเรามาที่นั้นก็ถูกแต่ว่าแม้ว่าจะลงก็มาถกจะลงไปขึ้นเขาลงไปทาง าลาดพังนามก็ยังถกแต่ว่าโคบขะน็ตต่อนั้นคนที่หลงทางมันต้องทุกข์อยู่แต่ว่ามันโคขะเสีวลานิดต่อชีวิตของนักปฏิบัติจะเสียเวลานิดต่อไปหลงถกไปหลงทุกนะไปหลงอารมณ์ไปเป็นวิปัสสนาอ้าหลงไปแล้ววิปัสสนาไปเป็นผู้รู้ไปแล้ว เป็นผู้สุขเสียแล้วคืนน้ำลายตัวเองก็อิ่มเหมือนกินข้าวหน้าตามอนฝนลินใส่สดชื่นไปเอาสุขเสรแล้วลงนิดต่อมาเลยลืมปลาลูกความียรไปเอาแต่สุขคิดอะไรไปคิดตอคิดแตกชานไปทั้งหมดนะไปหลงไปในความคิดกลายเป็นกินแต่ยานกลายเป็นวิปัสสนู บางคนก็เอาไปเลยเอาไปเอามาแบจึ่งเลยวิปัสสนูหมดเลยเสื่อมเลยพอวิปัสสนูเสื่อมก็ต้องตั้งต้นใหม่ถ้าขนาดนั้นถ้าไม่ลงเรเวลามันลูกอะไรตึนว่าไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นผู้ลุกเห็นมันลูกนะเห็นมันลูกนะพอเห็นมันลูกเห็นมันสุขนะเนี่ยมีสติเนี่ยไม่เสียวลาเลยกลับมา ของคนเห็นสุขก็ลืมลืมสติไปไม่ได้ลกล่าวลบความเพียรอยู่กับความสุขอยู่กับความโลภของตอนในแบบนี้ลืมความเพียรลืมสติไปก็ได้จุดกนของก็ไปในรอบของก็จบหายหมดของคนหายหมดอแต่พูดได้แต่ว่ามันไม่เกล่ยจิตใจก็ไม่เป่ยนยัมีกิเลสตะนะัณหาอยัางมีความโลภของโกรธความร้อง เราเป็นนักเดินทางต้องไปเรื่อยๆนะลู่เรื่อยไปลู่เรื่อยไปนะอะไรที่มันสุขก็เห็นความสุขเรากลับมามีสติสมชัชญยญ์แทนความสุขเวลาได้บรทุกกลับมามีสติสมัญยะไปแทนความทุกข์แทนความหลงมันใช่ต่อความรลุสตัวใช่เป็นสากล แปดหมื่นสี่พันเรื่องในชีวิตเราเรื่องกายเรื่องใจมีสติทั้งนั้นมีสติทั้งนั้นมีสติทั้งนั้นไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกไม่ต้องไปเหตุอาผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมคนฆ่ากันตายก็เพราะเหตุเพราะผลต้องเป็นสัจธรรมต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัว ควารู้สึกตัวก็ง่ายๆ่ายอย่าไปยุ่งยากง่ายง่ายง่ายทีย่สุดควารู้สึกตัวไวด้วยมาไวคำว่าสติเนี่คือมาไวนะไม่ได้ชาเลยนะถ้าปแปลอันหนึ่งเนยนะรู้สึกตัวเนี่ยมันมาไวอันอื่นช้ามากก่อที่จะโกรธโอ้ยก่อนจะโกรธมันชา้าช้านะคนจะโกรธ ่็ต้องลําดับเขาว่าอย่างนั่นเขาว่าอย่างนี้ทําไว้จึงเป็นอย่างนั่นทำไว้เป็นแนวร่วมโอ้โอกรที่จะโกรธได้แล้วพอที่จะโกรธเพราะว่ามัน ก, ก็ค่กระหายตั้งหาแนวร่วม เ, เพื่อยมันโกรธแต่ความรู้สึกตัวไม่ต้องมีแนวร่วมอะไรไว้ไว้อ้บ ท, ทันทีเอาถึงรู้กายรู้ใจรู้ทุกอย่างรู้สึกตัวรู้สึกตัวลบไปเลย มันก็อยาไม่ให้ข้องติดขนส่งไปเลยหลวมพ้นไปเลยนำไปเลยเป็นทางวินัยนะวิปวิเศษนัยนี้ถึงนำไปนำไปสู่อย่างวิเศษบางทีพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าผมรู้สึกตัวหนังเป็นวินัยด้วยพอ ม, มาไปไม่ได้ผิดศีลเลย อะไรติดสินติดธรรหนอมันมาไวจนถึงพอาองได้ตัดได้ว่ามีสติเป็นหน้ารอบเหมือนพระเคียร น, นสกผู้มีสติเป็นวินยัยคือไม่เผลอเลยมีสติเป็นวินยัยพระเคียร น, นสกก็คือพระอรหันต์มีสติเป็นหน้ารอบมันไวมันไวถ้าเราฝึกขอให้เราฝึกให้ให้เราฝึกกันนะฝึกอันอื่นเป็นยาก ถ้าฝึกสติเนี่ยเป็นง่ายๆ <c oughs> ่ะให้รู้สึกตัวได้ง่ายถ้าฝึกให้หลงเนี่ยโอ้ยมันไม่จริงหรอกถ้าฝึกให้รู้สึกตัวเนี่ยมันจริงอ่าแต่เมื่อมันรู้สึกตัวเราโอ้ยจะมาบางขมขังคมคืนให้หลงมันก็ไปเอาเราเพราะไม่ถูกต้องเห็นลูกจะไหนแล้วก็เป็นลูกจริงจริงเห็นน้ำมันก็เป็นน้ําจริงๆริง มันไม่เป็นนั่นเองเรากายเคลื่อนไหวมันเป็นลูกประธรรมโกมันทำเห็นโลกมันทำเห็นนามมันทำมันทำอะไรมันทำดีถ้ามันทำดีสบายเลยถ้ามันทำชั่วต้องเปลี่ยนเป็นความดีเรียกว่าปฏิปฏิคือเปลี่ยนร่างกายเป็นดีเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเรียกว่าปฏิบัต ลูกมันทมนามมันทำในว่ารูกทำนามทมตรงนี้จริงๆชีวิตของเราตร้องตั้งตนจากตรงนี้การกระทาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลิขิตชีวิตนะพระเจ้าสรรเสริญเรื่องการกระทาศาสนาพุทธศาสนาเกิดจากการกระทาไม่ใช่เกิดจากเหตจากผล ก็จะักกระทําการกระทําก่อนจึงจะไปมีเห็นเหตุเห็นผลถ้าไม่มีการกระทําจะไปเอาเหตุเอผลเลยของปลอมๆถ้ามีการกระทําแล้วอ่เมื่อมีการกระทําแล้วไปเห็นความรู้ไปเห็นความหลงไม่มีใครไปเอาความหลงไม่มีใครไปเอาความทุกข์มันจะเปลี่ยนเลยว่าปฏิบัตินักปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ ละตัวนัดปฏิบัติถ้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ก็พลาดใช่แล้วแต่ทิ้งเกงสติต้องเปลี่ยนผู้ที่สร้างสติฮ ะ, ะดูได้ดูได้มาไหวผมรู้จักตัวมาไหวกําลังจะสุขอ้าะสติมาแล้วรู้แล้วอยกออกเลยกาลังเกิทุกข์อ่ะสติมาแล้วเป็นไปได้ ย, ย่ ก็ไม่เยียงทั้งสองอันผมรู้สึกตัวลยโรออกหายเหลือศูนเหลือศูย์ความโกรธก็เหลือศูนย์ความทุกข์ก็เหลือศูนย์ความสุขก็เหลือศูย์เลยไม่มีค่าความสุขความทุกข์กคนมีสตินะแล้วคนไม่มีสติมีค่ามาก ค, ามคนทุกข์ก็มีค่าห่อใจความสุขก็มีค่าห่อใจเป็นแย่ จนเอาเปรียบจนยึดมั่นถือมั่นแล้วแต่ความสุขแล้วแต่สมมติปัญญาต่อบางคนได้ด่าเขาก็สุขก็ได้ด่ามันก็สุขกมันไม่จริงความสุขเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่จริงกว่าจริงจริงจรงิเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นหลงเห็นรู้จริงกว่าทงการปฏิบัติธรรมจึงเป็น สัจธรรมไปในตัวเป็นความชอบไปในตัวเสร็จไม่มีคำถามถ้าถามก็ตัวเองถ้าถามก็ตัวเองตอบไปคนอื่นตอบไม่ไม่จริงจึงว่าปัจจัตังเวคิตะภูวัญโยตินี่คือพระธรรมนะสัจธรรมต้องเป็นอย่างน้ในช่วงนี้หลวงพ่อก็ไปไปม า, มาเพราะ ต้องไปเตรียมเริ่มต้นที่วัดโพขาทองกระมีพระบวดใหม่ไปจะข้าพรรษาแล้วอาไปเริ่มต้นอะไรอ่าแบบเล็ก ๆ, ๆน้อยๆตามตามความรับผิดชอบหมูมิดเพื่อนผงเราก็หัดถ้าใครที่จะเข้าพรรษาก็หัดท่อง อ่าอธิษฐานเข้าภาษาอันี่ก็เป็นสมมติปัญญานะ้วแต่ว่าควรคนที่จะให้มีอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็ยังอธิษฐานนะอา่อาอธิษฐานนะปรเมฆแม้ว่าเลือเลือดเนื้อเหงื่อเ อ, เอ็นกระดูกเกลือปูฟังไว้ก็ตาถ้าไม่รู้ไม่เห็นทำเราจะไม่ลุกจากที่นี้ขอนั่งเป็นขั้นสุดท้ายที่นี้อธิษฐานแต่นอนเป็นขั้นสุดท้ายโอ้ยอศัศจรรย์ สองประโยคเนี่ยไม่มีใครพูดไม่มีใค ร, สรแสดงไดเหพราะพระพุทธเจ้าข อ, อนั่งเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยขนาดไหนอาทิตย์ฐานขอนอนเป็นขั้นสุดท้ายขนาดไหนจะไม่ลุกตอนไหนหระตอนไหนข อ, อนั่งเป็นขั้นขอนั่งเป็นทั้นสุดท้ายข อ, อนอนเป็นขั้นสุดท้าย ตอนไหนเละนั่งขี้แล้ก็ อ, อธิษฐานใจว่าจะค อ, อนั่งเป็นขั้งสุดท้ายจะไม่ลุกถ้าไม่ลูกอะไรตอนตัดสินใอ่าตอนตัดสรุใอ่อาอธิษฐานนะจะนอนเป็นขั้งสุดท้ายจะไม่ลุกอีกต่อไปตอนไหนนะตอนไหนบ้า ตอนกัปินิพานบอกว่านอน์ภูพ่าสังขาติลงไปบนต้นนางลางังพังคู่สองต้นอขอนอนเป็นคําสุดทาตอนนิพานตรงนั้นทั้งพ่อปเป็นตัวประเทศอินเดียนก็เฮหินดูก็ไม่เรียกว่าที่กัินิพานเขาเรียกว่าที่สิ้นชีพของสิท ธ, ธัตถะ เราก็พูดน้วไหมเขาบอกว่าที่สิ้นขีปตัวพวกเราเนี่ยปินิพพานแล้วก็ยอมรับเหมืนกันวิถีธรถมมีประวัติลบเลือนไม่ได้แม้ว่าเขามีศาสนารลักทีมากมายแต่เขายังลบไม่ได้เลยลบประวัติล่องรอยของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยอันเราเนี่ยมีหลักฐาน ต้นบนแบบบริษัทสนาของเราอะไรนะท่านพ่อก็จะไปดูวันนี้สั่งไม้มาจะต้องไปดูไม้ถ้าเขามาทาไมตรวจสอบสิค่ามันจะพลาก็จบเท่านี้ก่อนนะกับพระพร้อมกับ ระหังทั an ้มวลทั้งประตูวักวาวผูทังรักวันทั้งรักวันนี้วากาโตวักวะตาทั้งมดทั้มันนามาจันทร์ตุภัตโนวักวะโตวาวะาสังโฆสังฆนามา